ท่านฟังคะนี่คือรายการสันสนาสนทนานะคะและสถานีวิทยุที่ท่านเปิดอยู่ในขณะนี้ก็คือ FM106 วิทยุครอบครัวข่าวซึ่งได้ทําหน้าที่ขันแข็งในทุกเหตุการณ์ของบ้านเมืองนะคะในทางที่จะทำให้ท่านฟังทั้งหลายนั้นได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมานี้จนกระทั่งเรื่อยมาถึงยามฟื้นฟูนีน่แหละคะ่ะส่วนรายการของเราก็ทําหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของสถานีวิทยุที่ทางนู้นเขาให้ความรู้ในเรื่องของโลกเยอะมากเลยทางนี้ก็ใส่ความรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาหลักธรรมของพระศาสดาเริ่มต้นเนี่ยไปแบบทฤษฎีแบบวิชาการและปฏิบัตินะคะตอนนี้เราก็มาในลักษณะของการที่จะสนทนาแล้วมีทฤษฎีมาอ้างอิงทฤษฎีในที่นี้ไม่มีทฤษฎีของ คนอื่นเลยนะคะเป็นทฤษฎีของพระพุทธเจ้าดิฉันใช้คําว่าทฤษฎีถูกหรือไม่นี่เดี๋ยวก็ต้องไปกราบเรียนถามท่านไพบูล น, นะคะพระไพบูลอภิปุนโนจากวัดปาดอนไฮโซจังหวัดอุดรธานีในช่วงของท่านที่ชื่อว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะน้อมสักการนทัานค่ะอจรย์พรคําสอนของพระพุทธองค์เรียวกว่าเป็นทฤษฎีได้ไหคะ เ, ะเป็นธรรมะอืมเป็นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นเองอ่าคือหมายถึงว่า ฉันจะเอามาเปรียบเทียบให้คนสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจว่าถ้าเหมือนกับวิทยาศาสตร์ก็เป็นทฤษฎีนั่นแหละอเปรียบกันได้ไหมคะหรือว่าทฤษฎีนี่ไม่ได้จิ๊บจ้อยใน<ำ>ใน<ๆ>ทางในทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมาคาว่าทฤษฎีเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เขาคิดขึ้นมายังไม่รับการพิสูจน์ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ถ้าพิาสูจน์แล้วเขาจะเรียกเป็นกฎกฎอย่างเช่นกฎแรงดึงดูดของโลกอย่างเงี้ยมันพิสูจน์แล้วมันเป็นจริงอย่างทฤษฎีสัมพันธภาพอย่างเงี้ย ก็ยังเป็นทฤษฎีอยู่เพราะว่ายังไม่สามารถทํทาการทดลองในในรูปลักษณะที่ควบสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมในลักษณะนั้นได้ยังจึงเป็นทฤษฎีอยู่แต่ยังไงก็ตามในคําสอนพระเจ้าเนี่ยก็พระเจ้าก็จะใช้คําว่าความจรงิง mm hmm. ความจรงิงหรือว่าสิ่งที่เชื่อตามตามกันมาเอาเอาต่อให้เป็นทฤษฎีก็ได้แถ้าเป็นทฤษฎีคุณต้องการตรวจสอบทฤษฎีนี้คุณก็ตรวจสอบได้ไม่มีปัญหานะคะ คือถ้าจะเรียกเป็นแบบสมมุติเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้ได้ไดแต่ลองเอาไปตรวจสอบดูจะได้พบว่าเป็นกฎไปแล้วเป็นกฎของธรรมชาติอันยิงย่งใหญ่เป็นความจริงใช่ะคะ่ะทีนี้มาถึงเรื่องของคำถามช่วงต้นปีตาปีต่อต้นปีเนี่ยนะคะเขาจะถือว่าเป็นช่วงที่อากาศดีในการที่จะเดินทางไปเดือนสังเวชนียสถานเยนานจึงทาให้การเดินทางเนี่ยคึกคักมากเป็นพิเศษ เรือ่องบินที่พักนี่นไม่่อมีว่างเลยนะคะเพ mm hmm. ราะตอนนี้ยอดนิยมมากอื mm hmm. สําหรับคนที่กําลังจะไปบางคนก็ตัดสินใจใง่ายมีสตางค์นะคะมันง่ายไปหมดละ่ะ <laughs> แต่เราเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ประโยชน์อย่างเต็มที่วันนี้จะรบกวนท่านหน่อยได้ไหมคะท่านเคยไปมาแล้วใช่ไหมคะอาจารมาได้เคยไปสังเวชนิยสถานมาแล้วค่ะทีนี้ในฐานะที่ท่านศึกษากฎความจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะ <laughs> <laughs> เราควรที่จ ะ, ะมีความ รู้อะไรบ้างมีคำแนะนำอะไรจะให้คนที่ไปบ้างอย่างเช่นดิฉนันเนี่ยสงสัยเพราะไปอ่านหนังสือมาสองสามที่ไม่เหมือนกัน mm hmm. าการเดินทางในบางทัวนะคะ mm hmm. เขาจะเริ่มต้นที่การตรัสรู้ก่อน mm hmm. เพราะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นที่ต้นโพที่พุทธคยาต mm hmm. รัสรู้ที่นั่นใช่ไหมคะทีนี้บางคนก็บอกว่าถ้าไม่มีการเกิดที่ลุมพินี ไม่มีการเกิดของพระพุทธเจ้าก็จะไปเริ่มทีม่โลกพินีจึงอยากถามว่ามันจําเป็นไหมคะว่าเราจะต้องเริ่มต้นอย่างไรจึงจะถูกด้วยค่ะแล้วต้องไปออครบทั้งสี่ไหมในการที่เดินทางไปสังเวชนียสถานนี่นะจุดประสงค์เนี่ยคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ะนะบอกว่าไปแล้วเนี่ยให้เกิดความสังเวชเข้าใจไหมไปแล้วให้เกิดความสังเวชนะแล้วคุณจะมีความศรัทธา นะสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาอันดับแรกก่อนนะคุณมีศรัทธาก่อนนะคุณไปถึงนะแล้วคุณเห็นเสร็จแล้วคุณจะเกิดความสังเวชอันนี้จะสําเร็จประโยชน์ชอ่าคุณมีศรัทธาก่อนนะแล้วคุณไปถึงแล้วให้เกิดความสังเวชนะโอ้โหคุณจะเป็นไปเพื่อสวรรค์เลยเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ออแต่ว่าว ไ, ไปไปที่ไหนก่อนได้ไหย <c oughs> ก็ไปสักที่หนึ่งก็ได้ที่มันจะเป็นอย่างนี้แหละ อ๋อคือหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นเรียงลําดับก็ได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นจะเริ่มต้นที่ปริณิพานก่อนได้ไหมคะไปกุสินาราก่อนเลยอ๋อได้ทีนี้ว่าโดยบทพยัญชนะที่ตรัสเอาไว้นะ ก, ก็พูดถึงสถานที่ประสูติสถานที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณสถานที่ประกาศธรรมจักแล้วก็สถานที่ปริณิพานคะจะไล่ามาอย่างนี้โดยบทพยัญชนะของพรุทธเจ้าอะนะอ๋อค่ะอ๋อจะจะไล่าจากประสูติก่อนใช่อ๋อค่ะทีนี้ อก็หายกังวลกันได้แล้วนะคะว่าถ้าเรารู้เราเข้าใจว่าพุทธประวัตินั้นเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะไปตรงไหนก่อนก็ได้สาระสําคัญอยู่ที่ว่าศรัทธาต้องมีศรัทธานี่ส่วนใหญ่มีนะคะเกือบทุกคนเว้นเสียแต่ว่าบางคนมีศรัทธาแบบแยงแยงค ว, วามเป็นเอ่าคือเหมือนกับว่าที่แหยงเนี่ยมิฉะนันไม่ทราบว่าจะเรียกว่าหัวเต่าทีไหมคือเหือกัว่าก็ อจจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าอะไรมากอกับอีกอย่างหนึ่งนะคะรู้จักมากแต่ว่ารู้จักความไม่สะดวกสบายจากกิติศัพท์อของการเดินทางเนี่ยมากละคะของหน้าของาขาการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็แย่ๆทีนี้ศรัทธาที่มีคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าถูกไหมคะทีนี้เราต้องพูดอย่างนี้ว่าคุณมีศรัทธาแบบงมงายหรือว่าคุณมีศรัทธาแบบมีปัญญาค่ะใช่ไหมเราอันนี้เราอธิบาพูดได้นะคือ ผู้ดได้ไหมคุณยมติวในรายการนี้เนะาะ อ, อ๋อค่ะนี่มดเลยค่ะคือถ้าคุณมีศรัทธานะประเด็นของการไปสังเวชินียสถานเนี่ยคือมีศรัทธาแล้วคุณต้องเกิดความสังเวชแตนี้บางคนมีศรัทธาแล้วกลัวลำบากคือความจะสังเวชมันจะเกิดได้คุณคิดดูคุณไปถึงนะโอ้โหเนี่เหรอสถานที่ที่พระเจ้าประสูดไม่เหลืออะไรเล ย, ยมันน่าสังเวชมากนะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองกุศินารานะที่เป็นพระเจ้าจากักรพรรษ มาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เหลืออะไรเลยนะเป็นสวนธรรมดามีขอทานเต็มไปหมดนี่เหรอนี่เหรอโอ้แล้วเกิดความสังเวชมากเข้าใจไหมนี่คือกรณีที่เราจะได้บุญทีนี้บางคนกวนลำบากอุย้ยพรามีความศรัทธาศรัทธาอะไรศรัทธางมงงไงว่าอ้ไปแล้วเดี๋ยวจะถูกหวยไปแล้วจะถูกเลขถ้าไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์นั้นคนขอทานที่เขาอยู่ข้างเจดีทําไมเขาไม่ขึ้นสวรรค์ก็จะขึ้นสวรรค์ไหมไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ท่านค่ะ ถ้าสมมติเราไปแล้วจะถโะะถงโวยไม่เข้าใจง่ายนะครับเป็นศรัทธาที่ไม่ถูกต้องอแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าไปแล้วคาดหวังจะไปสวรรค์คือบางคนเนี่ยคาดหวังว่าไปเห็นแล้วได้บุญมากกว่าพวกที่ไม่เคยไปเลยนะคะอืมอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องเหรอคะเอาเงี้นถามว่าคนขอทานที่อยู่ข้างๆเขาเห็นทุกวันเลยนะก็ามาขอทานทุกวันแล้วก็ทำสวนยู่ทิยน่นด้วยอะ่ะเขาจะต้องไปสวรรค์นแน่นอนร้อยเปอเซ็นไหมคุณโยมตืว่า แล้วเขายัางฆ่าสัตว์รักทรัพยภูผิดในกามไม่เคยนั่งสมาธิภาวนาเลยดากก่าคนอื่นขอให้เขานั่งอยู่ใกล้ๆเสดี AD นั้นเลยไปเขาก็ไม่มีทางไปสวรรค์ไดต้ต้องต้นวานศรัทธาให้ถูกต้องไหมใช่ทีนี้ตรงนี้เราจึงต้องมาพูดประเด็นที่ว่าศรัทธาแบบงมงายหรือศรัทธาแบบมีปัญญาล่ ะ, ะถ้าเราบอกว่าศรัทธาแบบงม ง, งายก็คือเรื่องของกลารรมสูตรไงถ้าคุณมีศรัทธาอย่างเช่นว่าฟังตามๆกันมาแล้วก็เออคิดวะาถูก ทำดูลองทำดูแล้วคิดว่าถูกเขาทำตามตามกันมาคิดว่าถูกเขาเล่าลือกันแล้วก็คิดว่าถูกมีอ้างอิงในคัมภีร์นะเลยคิดว่าถูกในคิดดูด้วยเหตุผลแล้วมันน่าจะถูกก็คิดว่าถูกสันนิฐานเอาเองว่ามันน่าจะถูกก็เลยคิดว่าถูกตรรึกไปเอออย่างนี้มีเหตุผลดีให้น่าจะถูกก็เลยคิดว่าถูกหรือว่าทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วเลยคิดว่าถูกก็เลยคิดว่าถูกหรือว่าอันนี้เป็นคำคำสอนแล้วฟังดูน่าเชื่อถือนะคิดว่าน่าจะถูกแล้วเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นถูก นะหรือว่ามีคนมีครูบาอาจารย์บอกมานะพระพุทธเจ้าบอกมานะเลยคิดว่าถูกจึงคิดว่าถูกไงอันนี้งมงายสิ้นดี <Okay. S 1> แล้วที่ไม่งมงายคืออะไร <Okay. S 1> เรามาพิสูจน์แล้วเรามาตรวจสอบแล้วกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรม <Okay. S 1> นะถ้าเรามาตรวจสอบแล้วกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมแล้วคุณลงใจเชื่อว่าอย่างนี้ถูกอันนี้คือศรัทธาแบบมีปัญญา แต่ถ้าคุณฟังเขามาเฉยๆทำตามๆกันมาหรือพระพูดว่าอย่างนี้มีเขียนในตำราฉันคิดเองแล้วนะว่าจะมีเหตุผลถูกต้องสันนิษฐานดูแล้วพวกนี้คือยังไม่ได้รับการตรวจสอบค่ะอ่าคือต้องมีเบนชมาร์กไงเบนชมาร์ในที่นี้คือเบนชมาร์กกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่ใช่เบนชมาร์กกับสิบสิบอย่างที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้นะอืมค่ะค่ะเบนชมาร์เป็นภาษาไทยว่าไงดีนะคะท่านอ่เทียเคียง เทียบเคียงนี่เป็นภาษาทางการจัดการนะคะพวกนัจัดการสมัยใหม่เนี่ยต้องมีเบนมาร์กไม่ใช่ไปนั่งบนม้านั่งไหนแล้วมีจุดนะคะคือคือคือถ้าเราฟังฟังตามตามกันมาแล้วเราคิดว่าจริงเนี่ยนะคุณยังงมงายอยู่หรือว่ามันมีเขียนในหนังสือนะนี่เป็นพุทธวจนะนะเขียนเข้ามาอย่างนี้นะแล้วคุณเชื่อว่าจริงนะอันนี้คุณงมงายแต่ถ้ามีเขียนไว้ในหนังสือแล้วเรามาตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรม เอออย่างนี้ถือว่าคุณมีศรัทธาแบบมีปัญญาค่ะท่านคะทีนี้เวลาไปเนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเองดิฉเข้าใจว่าถ้าเรามีพื้นฐานของการที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพพระาศาสดาอย่างยิ่งเนี่ยพอไปถึงแล้วความสลดสังเวชส่วนใหญ่มันเกิดจริงๆนะคะอืมใช่แต่ว่าก่อนจะไปถึงสลดสังเวชเนี่ยดิฉเข้าใจว่าความรู้สึกแรกคนส่วนใหญ่จากการตรวจสอบมาเนี่ยคล้ายๆกัน ก็คือเหมือนกับว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่มีจริงๆนะอืมความรู้สึกนี้เรียกว่าความอะไรดีคะไม่น่าจะใช้ความสลดสังเวชแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มีประโยชน์ไหมคะเนี่ยมั่นใจความศรัทธาไง ม, มีความมั่นใจเมืเ่อเกิดความรู้สึกอยู่ว่าเดีฉันเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเราก็เชื่อนะว่ามีพระพุทธเจ้าแต่มันเชื่อหนักแน่นเข้าไปอีกเมื่อไปเห็นว่ า, วาเป็น สถานที่ที่มีจริงใช่มีหลักสันมีมีหลักฐานตั้งประวัติศาสตร์ใช่ไหทจาให้มีความหนักแน่นในธรรมวินัยมากขึ้นหนักแน่นในที่นี้ที่คุณโยมติ๋วพูดถึงความมั่นใจเนี่ยก็คือความศรัทธานั่นแหละคืออย่างสมมติเราเชื่อมั่นมั่นใจนะแล้วก็มากขึ้นไปมากขึ้นไปก็จะเป็นระดับของความศรัทธาความรู้สึกอื่นๆที่ตามมาสำหรับบางคนแล้วก็ บางคนก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอาการอย่างนี้ปรากฏเพราะว่าเป็นโผู้ชายท่าทางเข้มแข็งคือน้ำหูน้ำตาไหลนะคะ ม, มันมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์น่ยนะคะที่การตอบสนองต่อความรู้สึกมันก็มีหลายลักษณะดีใจบางคนก็ร้องไห้ได้อเนี่ยก็ดีใจตื้นตันใจไปเห็นน้ําตาไหลอืมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนของที่ยังเรียกว่าศรัทธายังไม่ใช่สลดสังเวชถูกไหมคะอันนี้ปีติที่เขามีเลย<ะ>ทําให้มีน้ําตาไหลได้ นะคะแต่ถ้าหากว่าไปเห็นแล้วอย่างเช่นที่ดิฉันเกิดความรู้สึกมากๆอย่างที่ท่านพูดเรื่องของความสลดสังเวชและยกตัวอย่างว่าโอ้โหอะไรนะคะเคยเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์ตอนนี้มันไม่เหลืออ ะ, อะไรไม่เหลืออะไรเนี่ยก็ไปเกิดขึ้นตอนที่ไปเห็นมหาวิทยาลัยนารันทาด้วยนะคะคือเหมือนกับว่าร่องรอยมันใหญ่จริงๆแล้วก็วันนี้มันก็ไม่เหลืออะไรมันเหลือแต่ซากแต่ตอของความยิ่งใหญ่ใช่ อันนี้ก็เท่ากับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ทีนี้ท่านคะหมายถึงว่าเกิดความสโลว์สังเวชถูกไหมคะความคิดใดๆทํานองนี้ทีนี้บางคนเนี่ยเขาก็ถือว่าถ้าไปบวชถ้าจะให้บวชแล้วได้กุศลแตกต่างในทางที่มากกว่าต้องไปบวชน้าสังเวชนียสถานอย่างนี้ยคะเป็นความชิดอย่างไรเพราะว่าบางคนก็บอกว่าอยากไปจังเลยอ่ันนี้เราพูดได้ะจะสอดคล้องกันเรื่องนี้พอดีสมมติเขาพูดมาอย่างนี้นะแล้วเราคิดว่าจริง อันนี้คุณควรงมงายทีนี้ถ้าเราเขาพูดแบงนี้เราไปตรวจสอบกับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะคือเรื่องอะไรคือเรื่องศีลสมาธิปัญญานะเราไปตรวจสอบ<ะ>แล้วถ้ามันเข้ากันได้อันนั้นเป็นจริงจริ ง, รงอันนี้คือคุ ณ, คณมีปัญญาในการตรวจสอบถ้ามันไม่จริงเราก็ปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไปซะเขาจํามาผิดไม่ใช่คำบุตรเจ้าแกเองฮะค่ะถ้าฟังรายการนี้แล้วจับประเด็นได้เนี่ยศีลสมาธิปัญญานะคะทั้ง หาความรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เข้าถึงจะสามารถตรวจสอบอะไรได้หมดเลยสิคะถูกต้องถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถทําได้อย่างง่ายด้วยเพราะว่าคําสอนพระเจ้าก็มีอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราตรวจสอบเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอยู่แล้วนะอย่างเช่นเรื่องที่ว่าถ้าเผื่อว่าใครว่าจะไปบวชที่นั่นจะได้บุญมากบุญของการบวชเนี่ยมันอยู่ที่ศรัทธาละ่ะถ้าคุณมีศรัทธาแล้วบวชคุณมีศรัทธามากหรือน้อยละ่ะ แล้วคุณมีศรัทธามากแล้วคุณบวชคุณก็ได้บุญมากกว่าคนที่มีบวชหน้าไฟบวชโ ด, ดยไม่มีศรัทธานนี้ก็ได้บุญน้อยอืมเพราะว่าบางคนพอจะไปแล้วก็ใจดีอะค่ะอยากให้เพื่อนได้อะไรที่ดีอย่างตัวเองด้วยแต่เพื่อนเนี่ยเกิดละล้าละลางให้มันจําเป็นด้วยหรือเปล่าดิฉันได้ยินเขาถกเถียงกันอยู่นะคะว่าถ้าอย่างนี้ก็เอาไปเทียบเคียงทีนี้ถึงแม้ว่าท่านจะบอกหลักการไปแล้วแต่บางคนบอกว่า กลัวจะวิเคราะห์ผิดเพราะว่าเขายังไ ม, ม่แม่นเท่าไหร่ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้ท่นฟันเลยได้ไหมว่าถ้าไม่ได้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการไปเยือนหรือว่าการไปบวชที่นั่นเนี่ยมันเสียโอกาสอย่างไรหรือไม่คะคือการบวชเนี่ยจุดประสงค์คือเพื่อปล่อยวางแล้วนะคุณปล่อยวางคุณจึงบวชนะปล่อยวาง <c oughs> อะไรเส้นผมเราก็ไม่เอาเสื้อผ้าเราก็ไม่เอาเครื่องแบบอย่างนี้เราไม่เอาละยศตำแหน่งเราถอดทิ้งหมด เหลือแค่ตัวเราเองกับบริการแปดแล้วก็จิต ท, ที่เราจะต้องขุดเรลาทีนี้เราถามก็คุณยังจะไปเอาอะไรอีกอะที่ว่าต้องไปสถานที่นั้นสถานที่นี้หรอมันมันก็จะไม่ใช่องค์ประกอบที่ถูกใช่ไหมเพราะว่าบวชเนี่ยเพื่อละวางนะไม่ใช่เพื่อมายึดถือเอาค่ ะ, ะนะคะดังนั้นเนี่ยก็คงจะได้รับคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ละล่ะสำหรับท่านทั้งหลายที่อยากจะไปสังเวีคณียสถานกําลังจะไปหรือมีความรู้สึกว่าในชีวิตนี้ไม่มีโอกาสไปท่านที่ไป สำคัญที่สุดเลยนะคะการเดินทางของท่านจะไม่เสียเปล่าถ้าไปแล้วท่านไปด้วยความศรัทธาและกลับมาด้วยการไปพบความเสร็จสังเวชเมื่อไปถึงที่นั่นถูกไหมคะใช่ถูกต้องเลยะะวันนี้ก็นมส ก, การขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายสูุดรนธานีเป็นอย่างยิ่งนะคะนมสการกันนะคะท่านฝั่งที่เคารพค่ะส่วนรายการของเรานะคะเมียคาก็ปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องเดียวเลยนะคะเป็นหลักคือเรื่องที่เกี่ยวกับคําสอนของพระศาสดา พระพุทธเจ้าของเรารายการนี้สันสมีสนทนาแต่พูดจากเกี่ยวกับเรื่องของพุทธวัจนะนะคะขอให้ท่านถามคำถามเข้ามาเถอดคะ่ะดิฉันมั่นใจว่าธรรมะของพระาศาสดานั้นตอบได้ทุกเรื่องนะคะที่เพียวธรรมะคอม1 0 6ท่านส่งไปที่นั่นหรือที่นี่0 2 2 6 9 0 0งที่เดียวกันท่านสามารถขอหนังสือ พุทธวัจนะนะคะที่พระอาจารย์คอกฤทิโสติพโลท่านเจ้าวาดวันนาปะพงลำลูกกาคลองสิทติ้มอบให้กับพวกเราเป็นประจำค่ะวันนี้ลากันไปเท่านี้นะคะพุทธวัจนสวัสดีค่ะ